ธรรมยาธรรมญาญาปากครอบงัวแก่มันหาเลิมเลียกินย่ตาปากครอบมันอีนุงัวน่มัวผงพาดันแล่นทุกทุกทุกทุวิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วชิงกัน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 ตอนชัางเรียกว่าโกรธโศกโมหะความหลงมัวเมาประมาททำสามกองนี่เรียกว่าทำปากข้อใัญญาปากข้อไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี่แหละที่ปากข้ อ, อนี่เห็นที่ตัวของเราเนี่ย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 คือทำเป็นคู่นั่นแหละท่านออกบวชเพราะทำเป็นคู่นั่นแหละคือมีคู่ผัวมเมียอยู่ท่านเนี่ยเคยออกบวชไปหาวฤกษ์บำเพ็ญพจน์กมจันทร์อาตมาเยี่ยสีวิ่งตามเสร็จออกบวชไปเห็นเขาทอหูมันฟัดกิ้งแงิงแงอยู่นั่นเนี่ฟังดูกเถอะ ทำเป็นคู่ไม่งั้นน่ยท่านสอนให้พระก็ไม่ได้สีท่านรู้จักให้ดูจักทำคู่กําไลมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันก็ค้อยอย่างจริงแจ้งแจางอย่า ง, ง, ง, งนั่นแหละทําให้คู่ให้ดูออกมันอยู่งนั้นแหะทําเป็นคู่มันต้องฟัด ก, กันอย่างนั้นจังก็ท่านก็เข้ามาให้สี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 อ่านตังไปเรื่องพระอห่าโพรดต้องเจตอธรรมเชิกามักแต่อะไรต่างโน่นไปอยู่โน่นหนึ่งทำไม่ได้อยู่ในที่นี้แหละศัทธ <c oughs> าพระความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่เนี้เป็นของจริง แล้วเห็นชัดเห็นแจ้งลงไปวิริยาพระราตระผ้าเปลียนมั่นลงมั่นคงท้าวรทำควาเปลี่ยนไพภาวนามั่นคงทาวรพระราทางฮาครบบริบูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนันะ่นแหละเห็นชัดแจ้งลงในที่ใ น, ในที่เดียวเลย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 ร บ, วบความที่ม่เห็นน่นแหละคนมที่ม่เห็นทําจึงค่อยหลงมัวเมาขัวนั้นขวนัวนี้ตัวของเราเป็นตัวทาอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมมดทางตัวอย่างแล้วสวจอย่างสวจกันอยู่ทุกวันทุกวนัน ยิ่มาจะมิงกาเยเจ๋สาเรามานะคะตำาท่านาาเยตั้งแต่ผมขนเนบฟรนหนังไม่เห็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดไม่จะไปหาในอีกถ้าไม่เชื่อธรรมใน น, นี้มันก็ไม่เห็นน่ะสิไปหลงโัวมาใจโ น, โนตาม ต, หตหาห น, นัตานันจึงจึงก็เป็นธรรม พิจนาเห็นตัวของเรานี้เป็นธาตุสี่นันธรรมธาตุเนี่ยเป็นขันธ์หาเป็นขันธ์หานั่นก็ธรรมแล้วน่ะเป็นอายจันะนั่นก็เป็นธรรมแล้วองค์เทศว่าธาตุสี่กนาอายจันะนั่นเป็นธรรมนั่งหมสัจจะเห็นจริงตามของข้อเป็นจริงตามความเป็นจริงของมันอันนั้นน่าเป็นธาตุสี่จริงจังแน่นอนจริเช่นผมมย่าีเป็นต้น ผมที่เราเห็นว่าเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นนะทำไมยังต้องมันเป็นธรรมแล้วทั้ผมนั่นนะ่ะมาเกิดในตัวของเราเกิดขึ้นมาแล้วกอกขึ้นมายาวมาแล้วก็ตัดทิ้ ง, งไปมันนั่งก็เป็นของไม่เที่ยง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 แต่งเนื้อแจงหนังผิวผัานต่างๆรอบรอบรุนลงไปทำมันงอกขึ้นมาใหม่แปลงด้วยข้องอบข้องยอดต่างๆนั่นแหละเรื่องเป็นโลกอันนี้เรื่องเป็นธรรมมันเราเห็นของจริงไม่ต้องแต่งให้เห็นตามเป็นจริงยิ่งเรียกว่าเป็นธรรมนี่แหละธรร ม, มะไม่ใช่อื่นใร เราพิจารณาให้เป็นธรรมมอยู er ่ไหนก็เป็นธรรมเนี่ยไปหาเรือไปหาอื่นไปการที่ไหนก็ไม่เห็นหรอกถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมเมื่อไงได้อยู่ไหนก็เป็นธรรมคลองสกปรกเลอะเทอะเหลวไดทั่วแไปหมดกลายเป็นธรรมหมดของดิบของดีก็กลายเป็นธรรม ความงยียบหยาบที่ว่าของหยาบเราไม่พิาจออารณาเฉยๆพิจารณาได้เกิดเป็นของละเอียดกลายเป็นทาง ม, มดยิงว่าทำอยู่ทั่วฝ่ามดทุกคมขนทุกจันหยาใบไม้ทุกสถานที่ทุกแห่งบนหง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 เอาน้ำอบน้ำหอมเอาดอกไม้อะงต่างมากั่นมาแต่งให้มันหอมขึ้นมาเอามาทาเอามาปาบระคบอันตัวเหมน็นๆนั่นแหละแ้วก็เอาของหอมมาปาประคบเขาจึงเรียกว่าน้ำอบคือมันอบผมไปต่างหากอบของเหม็นนั่นต่างหา <c oughs> รสที่มันไม่ดีไม่ไม่ไมอ้อะรแอ่ อ, อร่อยก็เอาเครื่องมาปรุงมาแต่งมันเด็ดเ็ด อ, อร่อยมันถูกอบถูกใจชอบใจโหดทพาธมารมก็เช่นเดียวกันอนั้นเรียกว่าโลกแต่งแล้วพิจสดาาขว่ขวงขวงงงไปแล้วแต่งแล้วเราก็หลงตามมันที่แต่งนั่นแหะ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 เขาวิเศษวิโอะไรมีนอกจากสมยว่ะเนี่แต่อย่างใจของเรานั่นมันเห็นชัดเห็นจริงอะไปเห็นแจ้งวิจาต้องไปสภาพตามจริงใจของเราเบิกบานใจของเราคลองใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอันนั้นตางหากที่ท่านประสงค์ที่เรียกว่าธรรมะ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 คือให้มันสบายไม่หวันไหวใครจะโยกนนกค น, นินพาใครจะกระตุเชิ่อได้ระกาสต่างๆเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ลหลงไหลตามคนพูดคนว่าตรงนั้นต่างหากความสุขอยู่ตรงนั้นคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาความสุขไม่ได้เออถ้าหาม่นม้นความสุขเกิดมาจากไห น, น มันไม่สุกไม่ไม่สุกนิดเดียวอย่างตกแต่งกายอย่างนี้แนหะต้องเสียเงินเสีทองเสียค่าตกแต่งเื้อเสื้อตกแต่งหลายอย่างหลายประการแต่แล้วมันก็ไม่มีความสุขสุกนิดเดียวพราเขาพูดเทนะ่ า, าชชนั้น่ะเขาพูดเก็ชมเชยเท่นั้ก็อยากให้คนชมเชยกนะันเรื่องมันไม่มีอะไร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 อิจิตังปิติตังตุหังยิปะเมวาตะเมชตูสะเพปุเรนตุสังกภาพจันโทกนาระโตยะธาณีโชติระกโ ย, าาโยยะธาสสีติโยอัจฉุสัพโรโกยนาตุตุมาเทปวะตุนตารา ย, ยุที่ที่ภาโยภวะอะพิวาธนะชีริสานิจังุท่าปิจารยินโนชะตาโรธรรมาวันติอายุวันโงสุขัง นั่งสมาธิคือรวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าให้ใจเป็นสมาธิใจมันอันเดียวจริงล่ะแต่เบื้องต้นก็ใจอันเดียวนั่นแหละแต่มันขยายออกไปคั่วสวงออกไปมันคิดนึกสงสัยมันปรุงมันแต่งมันมากมายอันนี้จะรวมให้เป็นอันเดียว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 เรียกว่าคานิกะมันรวมไปข้างเป็นขาวแล้วออกไปท่านเรียกว่าคนิกะอุปจาระรวมเข้ามานานๆหน่อยนั่นเรียกว่าคานิจาวไปจาระแล้วอยากให้ เ, เป็นอัปนาล่าไปมันก็ไม่เป็นน่ะสิแต่อุปจาระสมมติก็ cloud. อัปนาก็ยังไม่อุปจาระคานิจาวไปจาระก็ยังไม่ได้อยากจะให้เป็นอัปนาหายเงียบไปเลย มันก็ไม่เป็นอะีรเราหัดตรงนี้แหละคณิกานี่แหละคานุปจาระนี่แหละอันที่ว่าอนี้แหละกำหนดพุทธโธพุทธโธมันรวมเข้ามาแล้วก็หายแยกออกไปน้อยนิงก็ดึงเข้ามาอีกจนกระทั่งเอามันเชื่องชนิดเข้าไปอันอุปปนาโ น, นเป็นเองเหรอไม่มีใครแต่งมาเรากขอแต่ให้หัดอบรมในเบื้องต้นนี่แหละ